คำสมถันคำถ่านคำการคำผู้ชาร์ดชาร์ดไร่คำว่าต่างคอีนนาสกาเรนัตพุทังโตเชมัสอินนาสกาเรนัอพัมมังโตเชมัสอีนนาสกาเรนัต สัมังูเชมะสัปเมสอระหังสมมาสัมพุทโภพะวาอะระัสมมาสัมพุทโภพะวุทธังทกวตังอิวาเทนิพุทธังวาตังอิวาเทนิสวากขาโตพะคะวะตาธโมสวากขาโตพะคะวะตาธโมธรรมังมสามี สังฆะมานีส huh. uh ังฆะมานีหลักสามคสมาทานสีแปว่าพร้อมกันครับมัจยงพันเตติสระเนนัสหะอัฏฐศีลานิยจามะภูนิยัมติมายามันเตติสระเณนัสหะ ศีลาิยาจามะตตยังิยเตติสรเณสังฆะอาีลาิยาจามะพอเราเริ่มต้นปับในการอบรมเราก็เริ่มตั้งกรอบต่อสู้กับกิเลสสินแปดนี้เป็นกรอบ ที่ละเอียดลึกเข้าไปกว่าสินห้าละเอียดนะินแปดเนี่ยละเอียดนะตลอดชีวิตเรารักษาให้ให้ตลอดให้สุดเถอะโอ้เยี่ยมเลยแหละสินแปดแต่สีนนี้จะอยู่ได้ด้วยสัจจะอยู่ได้โดวยวิรัตโดยงดโดยเว้นสมท า, านไปแล้วต้องตั้งใจจริง จริงจังบางคนเคยจิตใจเรื่องร้องเพลงต้องระวังนัตจะคีมาลาเนี่ยต้องระวังะเข้าไปฟังเพลงต้องระวังสินขาดมันไม่ขาดแต่ถ้าเร า, เราดูไปข้างในใจใเรามาันเศร้าหมองเพราะมันถูกกิเลสลวงให้เราหลงไปกับมันพเพลินไปกับมัน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 บุตรทางสระนังคขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามินุติยัมปิบุทรทางสระนังขจามินุติยัมปิธรรมังสระนังคขจามิ Tak tiampi sangkang serenang kat cami. Tak tiampi butang serenang kat cami. Tak <coughs> tiampi <tutupi> temang serenang kat cami. Tak tiampi sangkang serenang kat cami. <tutupi> สระเกัมณังนิทิตังปานติปาตาเวรมณีสิกขาปังสมัามา diyami อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปังสมัามา diyami อัครธรรมะจารียาเวรเม d ีสิกขาปังสัมาดิยามิมสาวาดาเวรเมณีสิกขาปังสัมมาดิยามิสุรา เมรยะมัจจะปามาดัทนาเวระมณีสิกขาปังสัมมาดิยาวิกาละพอยนาเวรมณีสิกขาปังสัมาดิยาวิการะนาเวรมณีสิกขา นัจจกิตวะดิตวิสุดันมาลากาวิเลปนารณมันนวิภูสนถนาเวรมสิกขาปังสมาดียามจติกตวิตวิสุดันมาลานวิเลปนารมนาวิภูสนถนาเวรม อุจจะสยามะมหาสยาเวรมนีสิกขาปัจังสมาธยามีุจจสยะมหาสยาเวรมนีสิกขาปัจัสมาธยามอะสิกขาปานีสเลนะสุกตยันติ สีเลนะโหกสัมปดาสีเลนะนิปุติยัาติทัดสมาสีลังวิโสทะเย็น นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพวะตัทาครับอิมาหังันเตะคะวอิมาหังันเตะคะวอตตภาวังตุมหาก รีจัดชามิรีจัดชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ขอน้อมถวายข้าพระองค์ขอน้อมถวายอัตภาพร่างกายนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามเป็นเจริญ <c oughs> ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิการข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิการปฏิญาณตนปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยรและต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แและต่่อออูบ า, า, าว่าในระหว่างการเข้าปฏิบัติครั้งนี้ว่าในระหว่างการเข้าปฏิบัติครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดคุยกับบุคคลใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าจะไม่พูดคุยกับ ยกเว้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกเกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมบริกรเพียนั้นและรรมบริกรเท่านั้ น, แ ล, นและจะตั้งใจปรับพฤติจริงๆและจะตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ, ะะงงๆด้วยกำลังแห่งความเพี ย, ดยรดยกำลั่ความเพียรด้วยความบากบั่นด้วยความบากบาอันไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยจสลักำลัง <c oughs> สดสูงะสลักกำลังสสูง เพื่อการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอคุณพระศรีรัตน์ไตรคุ้มครองป้องกันอันตรายัให้การปฏิบัติได้สำเร็จผลตามความปรารถนาได้สาเร็จผลตามความปรารถนาได้ทำกุลธรรม ตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสามาสามัคคีเจ้าในเวลาไม่ชา้าด้วยเถิอิมายะิมายะธรมานุธรรมะธัมาธรรมะปติปัติยตาปติปัติยารัตนตายังปูเชนี ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรพนี้อันสมควรแก่ธรรมนี้กับนจิรนงกรนะครับพร้อมแล้วกระกรสาธุขอให้การตั้งสัจจะให้สำเร็จสัจจาที่ฐาน